ต่อไปก็เป็นขบุดพอพูดสิ่งคำลงมาให้ก็เข้ามาบอกทีเดียวว่าตันเซยกทหารล่วงขึ้นไปเสียทีแกสุมาอี้าพรพลล้มตายไปนั้นมากเหลือทหารประมาณหกร้อบัดนี้ถอยทัพมาตั้งอยู่ทางกีโก้ขงเบเด็กแจ้งมันก็จริงว่าถ้าจะเอาโทษแกนายทัพนายกองบัดนี้ก็จะเอาใจออกหา แต่เข้าโดย่าสุดเสียนี่คือผมยินต้องลงโทษแต่ถ้าลงโทษก็จะเกิดผมเสียเป็นอย่างนี้ผมไม่ก็จึงใช้เต็งจีให้ไปพูดกาเอาใจเขวัตเดี๋ยววิจบทุกร้องไปเลยว่าเราไม่เอาโทษทนไปอย่างใดรหรอกงสาคิดอ่านทาการแตกไขเอาใจชนะจนได้เถอะผมเองคงเต็นกีกลัไปอกและผมเองก็ถารีบไปสั่งมาตา้มาตงองเป็งเตีเยวเอ็กทั้งสี่นายเนี่ ให้แยกกันเป็นสองกองมาใต้กับอองเปงนั้นให้ยกฐันไปทางขวามือมาตรงตีลเอ็จงคุมหานไปทางซ้ายมือกลานวันที่สุ่มอยู่จะเดินทับก็ต่อเวลากลางคืนเท่านั้นทรีบออกจากกีโกะถึงตังบนกีสามแล้วจิงกองเพลิงไว้ปากทางเป็นสำคัญให้เข้าปีเอาค่ายโจกินให้จงได้ ปลายเราจะยกฐานไปช่วยปีกระหนาเข้าเป็นสมด้านม า, มาตรงมาใต้อองเป็นเปียวเอ็กตเด็กแจงคำสั่งเช่นนี้ก็รีดยกฐานไปคือแบ่งเป็นสององออกไปทางข้างซ้ายาข้างขวาของเบ่งก็เรียกฮนะกวนหญินเปียวเลี้ยวเข้ามากระซิบสั่งเป็นความรับให้ยกฐานไป ครั้นของเด่งยกกองทัพล่วมมาถึงกลางทางก็สั่งให้งออี้งอปั้นยกทหารล่วมงมาขึ้นไปก่อนทีนี้เรามาดูพฤติการโจทินทำสำยากบซุมาอีไว้แล้วท่านแม่ทัพฝ่ายขวาไม่เชื่อปัญญาท่านแม่ทัพฝ่ายซ้าย าโจกนี่มาตั้งค่ายอยิตมลจำกกเนี่ยก็ประมาทนี่ได้ ต, วตรวจการักษาและกาเพียนฐานน้ำมัแต่อย่างใดอะ่ะเพราะนี่ไดเชื่อทำสุมาอีสำคัญดยแต่เพียงคอยเวลานี่กลาเป็นรบอย่างนี้กะแล้คอยเวลาให้ครบสิดวันะจะชนะสุมาอีอนี่จะได้ประจานสุมาอีตามสัญญาไว้ได้จงได้ครั้นอยู่ได้เก็วัน ที่มาตั้งที่ตำบลจำโคกในเจ็ดวันล่ะผู้มีฐานก็มารายงานว่าบัดนี้ทหารมึงเสฉวนเรียงรายมาตามทางน้อยข้างศอกเขาเจ้าอินก็สั่งกิ้นเหนียงให้คุณฐานห้าพันไปตระเวนป้องกันอย่าให้ฐานเสฉวนล่วงเข้ามาในแดนได้ครั้งกิ้นเหนียงคุณฐานยกไปถึงกลางทางพบฐานขนเร่งยกมา ก้อยฐานรีดสวนทางขึ้นไปฐานโขงเบ่งก็ชวนกันถอยหลังกลับไปยิ่งเหงียงก็ขับฐานรีบตามไปแทะฐ า, านฐานโขงเบ่งก็เข้าซุ่มเสียซิ้นยิ่งเหงียงตามไปนี่ได้เห็นทหารมีเสฉวนแต่ทุกคนเลยก็คิดสงสยัยก็จึงให้ฐานหยุดหยุดมาชายัยกองสอดแนมก็ขับมาบอกว่ากองทัพตั้งซุ่มอยู่ข้างหน้า ที่เลี้ยงแจ้งนี่ก็ตราเตรียมทารเนี่ยรามาระวังตัวไว้พร้อมกันละขณะนั้นก็พอดีกับง อ, อีงอปั้นพร้อมด้วยกวนหินเตียวเอ็กปีกระนาบหลังเข้ามาทหารที่เหลียงไม่ทันรู้ตัวเลยจะลบีประการใดอย่างไรก็มีดได้ดีสองข้างทางก็มีภูเขากระนาบอยู่ง อ, อีงอปันควนหินเตียวเอ็กก็ร้องลงมาว่า ผู้ใดเข้ามานกนอกด้วยเราก็จะไว้ชีวิตให้ ไ, ไม่ฆ่าเสียทหารกี้เหร่ตื่นตัวกลัวตายเขาเช่นนั้นต่างก็เข้ามานกนอกด้วยงอี๋งอปั้นเป็นอันมากทีเดียวกี้เหร่ยอย่างนี้นก็คิดมาณนะขับฐานก็ไล่ข่าปันฐาน ห, หนึ่งเสฉวนจะหกากออกไปได้เรียวหัวก็ขับมาก็าสู้รบด้วยกี้เหร่เด้กสองเพลงเรียวหัวทหารเก่าของกวนอูนะ เรียววัวเนี่ยก็เอาเงาฟันกิ้งเหลียงตัวขาตกแต่หลังมาลงไปถึงแต่ความตายเลยทหารตั้งปวงของกิ้งเหลียงหรือทหารโจตินนก็เข้าโดยกับทหารของโขมเบ่งสิ่งโขงเบ่งก็ใหกถอดเสื้อและกราะของทหารเฉลยเหล่านี้เอามาให้ทหารของตัวใส่มีเริ่มการปลอมแปลงแล้ว แล้วก็เกณฑ์ทหารที่เกรียดกองมาเนี่ยเอามาเป็นกองหลังให้กว น, น่นิงเรียวว่าหนอนอนีอนอปั้นคุณมาหารห้าพันทึ่แต่งตัวกลอมเป็นทหารที่เ ห, ยยหรียยกรีบไปยังค่ายโจดจิ้งทีเดียว เปนทหารของทิ้เหรียงยกไปยังค่ายโจจินะงออีงอปั่นเลียวหัวอ้อนยิ้มยกมาใกล้ค่ายโจจิแล้วก็อยู่ฐานวัดแล้วก็ให้ฐานขึ้นมานีกบกบ็ไปบอกแกโจจินหยิ่งบายล่ะไปบอกอย่างนี้ทหารคงดุง่งที่เรียนร้ายยุ่นจนเข้ามาหนะเด็ขับไล่แต่ไปสึ้นแล้วที่หมือนเยาว่าเอาคําฟั่งของ ขี้เหร่พูดตัวขาดสองท่อนแล้วนี่เขาไปรายงานแก่ท่านแม่ทัพไปขวาไม่ได้ขับไล่ฐานของไม่ได้หมดแล้วขึ้ น, น, นั้นก็พอดีสุมาอี้เนี่ยครีร์อะไรก็ตามสุมาอี้เนี่ยก็เป็นห่วงโจกินทั้นที่ให้สัญญาแขกกันคือเรียกว่าพันนันกันก็ไว้แล้วเนี่ยแต่สูมาอี้ไม่ได้หวังผลชนะเพียงแค่พันนันกันเท่านั้นเพราะผลเสียหายที่จะติดตามมานันจะสินมากกว่ามากนะ ซึ่งต่าง ก, กันกับความคิดของท่านนายทับฝ่ายขวาขุณพรร่วมแสกพี่เพิ่งแต่รอให้ครบสิบวันจะได้ชนะจะได้ทำาสมาอี้อับอายอ่ะต่างกันชุมาอี้นี่ต้องหมูเป็นใาญทจุหนักก็ใช้คนมาบอกว่าทหารองเบ้งยกมาตั้งซุ่มอยู่อกข้าฐานเราปลายทุงพันเศษแล้วให้ระวังัวตรารักษาขาอย่าประมาทโยตินไลยแจงอย่างนี้ ทูสมาอีสู้ส่งคนมาบอกให้รู้เนี่ยก็จริงว่าที่จำากะเนี่ยเราไม่ได้เห็นทหารเสดชวนทหารคงเบ่งอะไรที่มันแต่สักคนเดียวเลย่ันจงกลับไปบอกแกนายท่านเถิดนี่เจอกินไล่จู่วันดีกลับไปหญิงนคนชายของสุมาอีก็กลับไปเนี่ยกลับไปอย่างไรเขาไล่กลับแล้วก็พอดีาองงออออฐานของหมออีหมอปั้นปิดปลอมเป็นหารของขี้เหร่ คือปลองเป็นทหานโจจินเนี่ยก็เข้ามาถึงหลักมาบอกว่าทหารของเม้งแตกไปแล้วโจจีนก็มีความดีดีสำคัญว่าที่เหรียญกลับมาถึงแล้วทีนได้คนเข้ามาบอกก่อนเนี่ยก็ยกฐานออกจากค่ายจะไม่รับคุณทัพผู้เดชัยจะหน้ากลับมาละจะออกไปรับฝ่ายงออีงงอปั่นเลียววกวนหินเห็นโจิจีนออกมา ก็กรูกันเข้าไปในค่ายได้ให้ฐานออกเพลินจุดขึ้นนั้นพันใบเลยมาตาตอองเต็งก็ขับผันไร้ตามฟันกระนำตามหลังเข้าไปเดียวเอ็กกับมาตง น, นี่ดัานขวาด้านซ้ายอีกสองกองนะก็คุมหานไปต้านึ้นมาอีกทาหารโจกินเหลือกำลังต้านทาม น, นี้ได้ก็แตกกระจาย ก, กระจายกันไป มาตายองเต็งตัวเอกมางคงควอยฐานไร่ข้าฟันทหารของโจจิ๋นลงมตายไปนานมากโจจิ๋นตัวตัวน่กเข้าก็รบหากออกไปได้กับทหารประมาณห้สิบคนเท่านั้นเดี๋ยวนี้วดแตกทัพยับเยินเลยหนีไปได้เพียงทหารร่วมใจคนสนิท ป, ประมาณห้สิบคนก็ไปพบกับกองทัพซูมาอี้ที่ยกมาช่วยซูมาอี้ก็รับตัวโจจิ๋นมายังค่ายกิโกหลระ นี่เป็นอย่างไรท่านขุมพลรุ่มแซ่ทรานแมททักฝ่ายขวาโจกินเป็นอย่างไรขณะนั้นโจกินมีความอภิรยรตแก่สุมาอี้จริงนะจนไม่รู้จะไว้หน้าแนมะ่แห่งใดเลย <c oughs> ม่รู้ที่จะไว้หน้าแห่งใดเลยท่ว่ายอย่างนั้นคือไม่รู้เจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนสุมาอี้นั้นก็จิงพูด ก, กับโจกินว่า คือไม่ได้ทวงสนินสัญญาที่ผ่านันกันได้หรอกฉัแต่พูดว่าบัดนี้กองทัพของเบ้งปีเข้ามาตั้งอยู่ตำบลกีสารได้แล้วฝ่ายเราจะตั้งรับมาที่ตำบลกิีก๊กเนี่ยก็เลือดเสียเปรียบมากจะสู้นี้ได้จํำจะยกกองทัพไปตั้งรับณแม่นม้ําวุโโหซึ่งเป็นที่จบทุนดีจะได้ไม่เสียเปรียบแก่ของเบง สุมาอี้ไม่กิจแพ้เลยเดีกล่าวแบบนี้คือว่าปรึกษาสุมาอี้ปรึกษาแล้วก็ยกกองทัพไปตั้งอยู่ณแม่น้ำหุยโหมขนาดน้นโจจินเนี่ยผู้แพ้ผู้อภัยยศอดสูผู้นิรุที่จะไว้หน้าแห่งใดเลยไม่รู้เจ้าหน้าโปรที่ไหนเลยเนี่ยก็ถามสุมาอี้สิว่าเหตุใดอ่ะ ท่านจิงรู้ว่าข้าพเจ้าจะเสียทีแก่ฆ่าสิจิงได้ยกทหารมาช่วยข้าพเจ้าทนโชจิมตอินี้สิน้นพยศและต้องถามทำไมรู้ได้สมาอีก็จีว่าข้าพเจ้ารู้อยู่ว่าขงบิงจะยกมาตีท่านจิงให้คนไปกำชับให้ปวดราป้องกันรักษาตัวครั้นคนของข้าพเจ้ากลับมาบอกข้าพเจ้า ตพ่อยคำซึ่งท่านว่ามันนั้นนี่คือมาอี้เป็นผู้รู้จักเจรจาได้ไพเราะนะครับคือไม่ต้องทวนคำเขาให้ช้าใจรหรอกเพียงแต่บอกว่าตามพ้อยคําซึ่งท่านว่ามานั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าท่านนี้รู้ถึงการที่จะเสียทีแล้วเป็นมั่นคงจึงรีบยกมาช่วยท่านก็สมคเนเหมือนข้าพเจ้าคิดว่าคืมาอีพูดอย่างนี้ ที่พูดให้ไพเราะพูดดีดีไม่ใช่บอกว่าขาบเจ้ารู้ว่าท่านจะต้องถูกเขาจอมเขาไปที <c oughs> <c oughs> ขบเจ้ารู้ว่าท่านน่ะมิรู้ถึงการจะเสียทีเป็นมั่นคงจึงรีบยกมาช่วยท่านก็สมคมีเหมือนที่ขบเจ้าคิดไว้คำพูดจะ น, นี้เโจโฮกินท่านขุณพลรูมแซ่ท่านแมตทับฝ่ายขวา กูยิ่งใหญ่และยิ่งยงพันมันกับเขาไว้ด้วยอย่างหนักเนี่ยแต่ว่าถ้าจะว่าถึงข้าวของที่พันนันเนมันไม่เสียดายหรอกแต่ความละอายใจความเสียใจนี่สิยิ่งนะโจกินเนี่ยมีความอายใจมนะก็แต่ทุกทุกตรอตรอ ม, รอมจนเป็นไข้ป่วยหนักลง โจจิ๋นแม่ทับฝ่ายขวาป่วยหนักลงแล้วสุมาอี้เห็นโจจิ๋นป่วยหนักเนี่ยครั้งจะโยทานกลับก็กลัวฐานทั้งตัวมีจะเสียขวัญจะสะดุ้งสะตืนเสียน้ำใจจะถอยกลับพันธีทันใดในี่ยก็มิได้ก็จำต้องตั้งทับรังรออยู่ฉชนั้น กข า, าถึงเขากิสานแล้วเนี่ยก็าืนบเมตตะแกลาสาตามความชอบขนาดนั้นมีเอียงตันเซกสองคนนี้รบหลูธนมหาอุปราชมีเอียงตันเซกเตาเข็งเตียวหนียกกลับมาถึงก็เข้าไปทำม้าสรภาพโทษแกขงเบ้งขงเบ้งก็ถามว่าผู้ใ ด, ดซึ่งนี้อยู่ในบังคับบัญชาเราผู้เป็นแม่ทัพ ทาให้เสียการครั้งนี้ผมเบ่งถาม่านี่อีเอียนมีเอียนก็ตอบว่าตันเซ็งมิฟังบังคับท่านยกล่วงเข้าไปทำให้เสียการคือนิปกองทับที่ส่งมาก่อนน่ะสองกองเนี่ยไม่เคยตามตามดี่งผมเบ่งสังตอนแรกมนะันเสียทีหวางนั้นเถอะแต่ตอนหลังก็ตโจกินได้แตกอะ่ะนี่ผมเบ่งกลังสอบสวนความมันนี่เนี่ยีเอียงก็บอกว่า ตันเซกนิฟันบังคับท่ายกล่วงไปให้เสียการนี่แต่ว่าอย่างไรกันก่อนอุยเอียนสัดทอดตันเซกแหละทางตันเซ ก, ก็ถือว่าที่ขาบาเจ้าลรเมื่อการทั้งนี้เพราะมีเอียนใช้ขพาาเจ้าให้ยกไปก่อนนี่ซัดทอดกันขึ้นทีเดียวของเบ่ก็ถือว่าอุยเอียนได้ยกฐานได้ช่วยท่านอีกจึงรอดจากความตายมา เหตุใดตันเซ็กท่านจะมาสัดเอาวีเหีนอย่างนี้หรอซึ่งท่านไม่อยู่ในบังคับเราท้านไม่เสียการทั้งนี้เขาจะยกโทษและก็นิ่ได้ต่อไปเรื่องมาทหารจะยิ่งอย่าสืบไปัดคงเบ่งวาดจนิ้แล้วก็จึงสั่งให้ทหารเอาตัวตันเซ็กไปข่าเสียเพราฟังกันเป็นแค่นี้ ความเพียงเท่นี้ขงเบ้งก็อคติลำเอียงอย่างหนักตสิก็ไม่ผิดหรอกเหตุที่คงเบ่งไม่ค่าวีเอียนไปด้วยนะก็เพราะดังความคิดเดิมแหละก็คิดอยู่ว่าวีเอียนเนี่ยเป็นทหารที่มีฝนมือแล้วก็ยังต้องทําศึกศืกไปเบื้องหน้าอีกแต่คราวนี้ถ้าจะไม่เอาโทษเอาพันกันเสเลยเนี่ยก็ดังกล่าวแหละคือว่าต่อไป เบื้อหน้าทหารก็จะยิ่งอย่างสุดไปทำให้เสียการของเด้งจิ้มจำเป็นต้องฟังค่าตังเซ็กเสียแต่ที่เหตุที่วีเอียนรอดตายได้ว่าโดยชัดแจ้งก็คือว่าของเด้งลำอียงนะที่ลำเอียงก็เพราะเห็นแกความเป็นผู้มีฝีมือของอวี๋เอียนจำเป็นจะต้องใช้อวีเอียนต่อไปัดหรฝ่ายมาใช้กองสอดแนมน แต่เอาปิจการท้งตปวือกนี่มารายงานของเบนงรว่าบัดนี้โจ้าจิทมท่านแม่ทัพฝ่ายขวาแห่งโลกเอยียงหูโนโปวะโดยหนักรักษาตัวอยู่นะักข่ายแม่น้ำาหโหของเบงเด็กใจนีนก็จริงว่าแม้เจกินปื่อยเป็นประมาณท่าเปื่อยเป็นประมาณแล้วที่ไหนซูมาอี้จะอยู่คือถ้าเอยีงอยงเป่วยไม่หนักเนี่ย สุมาอียังวิทําประน่งหนักก็อบบไปแล้วนี่พบป่วยหนักเผ็ดเป็นชนิดก็คงจะต้องยกทัพกลับไปแน่ขบจาวันนี้แหละโจกิ๋นเนี่ยป่วยหนักแล้วเดี๋ยโจกิ๋นป่วยหนักสุมาอีจิงยังไม่กล้ายกทัพกลับไปเพราะกลัวว่าถ้าแก้สารน้ำวงจะเสียน้ําใจเราจะให้มีหนังสือไปถึงโจกิ๋นสักฉบับนั่นมโจกิ๋นเองนี่คือฉบับนี้แล้ว ก็จะกลอมใจตายเป็นมั่นคงหกหลงคิดฟังฆ่าโจกิ๋นเลยทีเดียวหรือจะว่าเปปราณกระนําซ้าเปินประการใดอย่างไรก็ตามเถอะนี่เป็นสุเป็นสงครามก็จําต้องกระทําหรือประการใดละ่ะสุดท้ายแต่จะคิดกันเอาเถอะของเบ่งประเทศมี้นังสืถึงโจจิ๋นให้ตายของเบ่งก็เรียกทหารของกิ้นเหลียงที่จับตัวไว้เลยเป็นเรลยนะเข้ามา แล้วก็จริงว่าท่านึั้งปวงนี่ก็เป็นชาวเมืองลูกเอียนต่างคนต่างก็มีบุตรภรรยาญาติน้องอยู่ทั้งสิ้นแหละถึงจะไปด้วยเรานั้นจะไปอยู่ด้วยเรายังมีองเฉชวนนี่ก็กลนะนี่หนึ่งเราแปรรัฐท่านให้พลัดพรากจากกันกับบุตรภรรยาญาติน้องก็จะเป็นบาปเป็นกรรมแก่เรามากนะเราใช้ท่านั้งปวงกลับไปบ้านเมือง ผู้ใดจะไปก็ตามเถอะหรือผู้ใดจะอยู่ก็ตามเถอะแต่เพาว่าโจจินะ๋นมีหนังสือมาถึงเราเนี่ยช้านานแล้วเรายังไม่ได้ตอบไปเลยเราจะฝากหนังสือท่านเนี่ยไปให้โจจินด้วยถ้าท่านน้ำพวงถือหนังสือไ้แก่โจจินแล้วก็จะมีบำเหน็จรังวันอีกด้วยมีวิธีการที่ผมจะใช้คนนี้ต้องกล่าวกล่อมให้อย่างดีเลยทีเดียว ความจริงเพื่อประโยชน์อันเป็นที่ยิ่งของตมหรอกคือการสังหารชีวิตแม่ทัพฝ่ายขวาคนสําคัญของโลกเอียงอ่ะฝ่ายทหารเจริยทั้งหลายทั้งวงเหล่านั้นนไม่รู้ความตื่นลึกหนักเบาประการใดอย่างไรรู้แต่ว่าเขาจะปล่อยไปได้วยความเมตตาเกรงบาปกลัวกรรมเนี่ยป้องพระอุปรระเนื้เขาเนี่ยทุกคนเมื่อได้รับการปลดปลอยชีวิตก็ดีใจก็ชวนกันคำนับแล้วก็ลาจลั ฐานเหล่านี้กลับไปถึง่ายที่แหม่ไหมฮ oh ุยหัวก็เข้าไปทานับโจจีนแล้วก็นิ้งสือที่ขนเบ่งฝากมาให้เนี่ยออกมาให้แต่โจจีนเลยบอกว่าขนเบ่งฝากนิ้งสือนี่มาถึงท่านโจจีนเนี่ยตัวหนักอยู่แล้วแต่กูกูซาพยูนตัวขึ้นรับนิ้งสือด้วยความอยากรู้นิ้งสืออะไร คนไม่ฝากมาให้มันมีความยังไร่ก็ชี้ประออกอ่านดูเป็นใจความว่าหกหลงคนเบ่นจูกรดเหลียงหมาอุปราชแห่งเมียงเฟสชวนมีนังสือให้มาถึงโจจินผู้เป็นแม่พับใายแห่งลกอินด้วยแต่โบราณท่านว่าไว้แต่ก่อนมาว่าถ้าผู้ใดจะเป็นแม่พับ ฤพน์ไปทำการสงครามนั้นให้พึงรู้ลักษณะในกลุ่ศึกจนทุกประกรับอเมนให้มีปัญญารู้พรอเพลนแก้ไขเอาใจธรรมะเป็นต้นตัวท่านเป็นแม่ทัพใหญ่ม่ได้รู้ในกลุนสงครามทั้งปวงเสียทีแกเราเสียทัดแก้วทางน้นเครื่องฟาตราอาวุธเป็นอันมากชนนี้ ท่นจะกลับคืนไปมือลกเอยียงนถึงมาแต่ว่าพระเจ้าโจยอยจะนี้เอาโทษก็ดีก็จะไม่อายแกอนมาประชารับประดองพระแก้าานตัน้งตรวยนี้จะเอาหน้าไปไววแห่งใดเป็นเรื่องลนลกนอกแกเราแต่โดยดีเถิดถ้าท่านวิค้ำนับเราเราจะยกฐานเข้าไปเหยียบมือลกเอียงเสียตัวท่าน มือสื่อแผลมันเข้ามาอยู่ในปากเสือก็มีแต่จะทิบหายด้วยที่มีทหารทั้งปวงของเรามีคนเด้งมือสื่อมาอย่างนี้ก็โจกินก็เจ็บก็อายจากไปมาเอี่ยมหนักอยู่แล้วเป็นห่วงรองใจอยู่เนี่ยมือสื่อฉบับนี้ของคนเด้งมาสัมผัสหมักก็ไปอีกเจกินมอ่ะมือสือคนเด้งเจ็บนิดโกรธมีม่หนักละโรคที่เสือ่อก็กำเริมหนักขึ้น และโจขิ้นก็ถึงแต่ความตายในเวลากลางคืนวันนั้นเองขมารีครึ่งจ้องเหว่าโจขิ้นตายแล้วก็อเอาศพใ ส, ส, เส่เกลีย น, อยอยนมีริ้วอุโบสถงขึ้นไปยมูร์เนื้อเขียนเขาเจ้าเจยยก็ยหก่แต่งการศพดยสัควรตามประเพณีอ่ะกอบเป็นผู้ที่ได สิทธิ์ชีวิตเลหน้าที่ราชการถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็แบเป็นอย่างนี้การแต่งการศพกันตามสัญกแล้วก็พระเจเ้าเจยยอดีนิสก็ถึงสุมาอ้ให้เรื่องทำการรบทพิ่เอาชายชนะแก่ขงไม่งให้จบได้สุมาอี้แก่นิสุรับสั่งแล้วมันนี้ก็ต้องเรียกว่าตัวเองสิกขาแต่ที่เดียวละเพราะแต่แรกโจถึงเขาเป็นแม่ทัพใหญ่คือฝ่ายขวา คนเด็ดเป็นเพียงแค่ฝ่ายท้ายต่ทาการใดอย่างไรก็ยังขัดในข้องอยู่จะปขวางคนเดียวเหยื่อยึดเหยื่อเนี่ยแบบนี้ถ้าก็สึดขาดแต่พี่เดียวะมาที่เก่งที่ล็อังกวตัวเรีย น, นดีเยียมพร้อมแล้วก็คนผู้นัเนถือกไคนเบ็ดกาหนดว่าพรุ่งนี้ให้ยกให้คนออกมารบกันคนเด็ดเด็กแยงดังนเงินก็จินผู้เดเดียวะ บัดนีชรอยโจยินต้องตายแล้วเป็นมั่นคนงซีมาอีอ้จะให้คนถึงสื่อมากำหนด้ารบด้วยเราผมไม่ว่าอย่างนี้เลยครั้งเวลาค่ำเนี่ยผมเก็ได้เกียงอี ก, กับกวนหินเข้า ม, กมากระซิบสั่งเป็นความรับละนี่ทั้งสองนี่กิดทำการตามคำสั่งผมได้ดีมากเกียงอี ก, กับควนหินนี่ก็รักคำ เป็นความรับนะแต่เป็นว่ายังไรจะตามตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสุมาอีก็ยะทับออกมาเพราะมันมีหนัสือมาท้าทายด้วยครับแ ล, แลไปเห็นขเนเบ่งขีเกลียนน้อยแต่้งตัวโอโทโถงถือพัดขนนกมาในถ้ากลางทหารสมุมาอีก็ขับมันขึ้นมาหน้าฐานทัพทีเดียวก็ร้องว่าเจ้าเราเบสเวอราน่ะ ม, ม, มีหมวมาถึงสองชั่วพระองค์แล้ว เจพผีแล้วก็มาโจอยอยเนี่ยมาอีกขาว่าอย่างนี้เจ้าของเราได้เวร่าไม่มีเหลือมาถึงสองชั่วและองแล้วก็อนี้ได้ไปกระทำย่ำนยี้ให้ร้ายแกเสช่วยและหันตองแต่ประการใดอย่างไรเลยละให้ตั้งดูเป็นศูนมาแค่นานก็เพราะว่ามีความเอ็นดูกรุณาแกรับกระดอแต่จะมีอะไรบานกระดอนต้องไดรับความเดือดร้อนและตัวขนน่นี้เอง เป็นแต่เช้าวันหนอกมีนื่งคนแดนเมืองลำหยดควรเลยจะมาขืนแข่งให้เกินชาดไปภูมิของตัวมันยกเรื่องเขามาย่ำยีถึงแดงเนเมืองเราเป็นหลายครั้งนี้บางควรเลยแหะท่านเริ่มคิดห้างใจไว้จะได้กําเริเ่เเทอสารต่อไปควรยกท้ายผลทั้งสิ้นกลับไปรักษาเมืองอยู่ตามประเนณีก็ดีกว่าถ้าม้นี่กลับไป แต่คืนนูนก็มาย่ำมีขอบฉันจะเสมาให้ถึงได้แล้วชีวิตท่านก็จะไม่ได้กลับคืนไปเมียด้วยฝีมือทหารของเราซูมาอีว่าอย่างนี้เมเลิกความเป็นไอ้ชาวบ้านนอกเนี่ผมเล่นบทมันก็วเราะทีเดียวแล้วเรามาฟังผลการโต้ตอ บ, บเขาผมเล่นวเราะแล้วก็ตอบว่าตัวเราเป็นข้าพระเจ้าเราป พระเจ้าเราปีก็ประทานเมื่อวันท่าปีชุบลินเรามาก็ช้านานและเมื่อพระองค์ประชวนจะสิ้นพระชนนั้นก็ได้กรัดสั่งไว้กับเราว่าให้ช่วยทนุบอมลินแผ่นดินของพระเจ้าเฮียนเต้ผู้มีพระคุณสูงไปด้วยตัวเราก็ได้รับทําไว้เป็นข้อใหญ่แลว้วเคลื่อนพลเพื่อจะมานอนใจนิ่งเสียนิคิดอ่านทำ ก, ก, การกำจัดศัตรูแผ่นดิน บางคนหากตะทำอยู่นี่ได้เนี่ยอันตัวท่านนี้บิดามารดาก็เป็นข่าของพระเจ้าเ e ยี่ยนเตอมาแต่ก่อนควรจะเจ็บร้อนดิจาของท่านเสียอีกแต่นี่กลับมาเข้าด้วยอสจูแผ่นดินชิงราชสมบัติแถนี้หาควรเมื่นี่สมารีเด็กฟังคนเบ่งดากลับมาอย่างนี้อดสูแก่ใจ ไม่รู้จะตอบยางไรก็จินน่ะแต่แต่ก่อนแผดินก็ไม่ใจ่ยินเตยนีแม้แต่ตอนโตโฉโจโฉก็เป็นข้าระมาก็ไม่ใช่ินเตะมาถึงอ้สมบัติก็เป็นโจผีมาโจย่อยและมาอี้เนี่แต่จะว่าไปก็ตรงตามความจริงดิคนเป็นนามัลล่ะมินามารดาก็เป็นข้าในพระเจ้ายินงเตะแต่มาถึงไตอนเอรุเนี่ยมันไปเข้ากับได้ศัตรูแผนดิน ไปเข้ากับโจผีตัวยอ่อยเนี่ยทีมาอีไ ม, ม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันก็ท้ารบเลยก็อบอกว่าถ้าแล้วท่านจะรบกับเราก็มารบเถอะของเบงก็คิดว่าท่านจะรบกับเราตัวต่อตัวก็ต่างหรือจะรบด้ยวยพิมุททหารเราก็มีกลัวของเบงก็รับคำท้าเหมือนกันในตอนนี้เราต้องหันไปฟัง จะจะบับวันอีพกพกเนะครับของยาขอบกันสักนิดหนึ่งเท่าที่พอจำได้ยากขอบได้อธิบายไว้อย่างพร้อมมือทีเดียวที่การท้าในตอนนี้ไม่ใค่ท้าแต่ปากท่านให้ย้อนกลับไปดูกระท่อมม้อยที่เขาโมลังกันหมดที่ฝกกันกระท่อมประดับประดาวุเครืฟ้าตรามุตต่างๆ น, น, นานาประการและว่าถึงความเป็นชายทุกคนแม้เป็นหญิงด้วยก็ตามเถอะในสมมุนี วิชาการต่างๆมาประการก็จะต้องเริ่มต้นกันต่เพ่งอวุ ต, ตางตอกสุดสมสุดปือกันอันนี้เป็นชี้ชัดลงไปว่าขเนเบ่งถึงนวดนี้ไม่ เ, เคยลบ ก, กับผูใ้ใดด้วการใช้ปิ้นมือเลยใชย้แต่สติปัญญาเป็นสัคมมาโดยตลอดการทาครั้งนี้เป็นการยืนยันเด็กแจ่มชัดว่าวิ้แคว่าขเนเบ่งจะดีกับสติปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะ ด้วยําพ้าของคนเบ่งเนี่ยท่าจะรบกับเราตัวต่ว ต, วตัวก็ตามหรือจะรบด้วยพื้นฐานก็มีกลัวสุมาอีเนี่ยก็จริงว่าถ้าเช่นนั้นเราจะรบกับท่านเด็กกลพยุหะก่อนคือการตั้งค่ายกลให้เขาปี ก, กันอะไรกันผมบ้งก็จริงว่าถ้าเร่นั้นท่านทําให้เราดูก่อนเถอะสุมาอีก็กลับเข้าไปข้างในราวสารน้ำพวกแล้วก็ธงแดงมาปั ทหารกดตั้งคนพยุหะเข้าเรียกว่าตั้งค่ายกลพร้อมกันชื่อว่าอุคุยติ้งพยุหะเรียกว่าค่ายกลอุคุยติ้งอาสมาอีกจักแจงตั้งค่ายกลของตนเสร็จแล้วก็ร้องถานของเบงกิดูว่าอันกนพยุหะของเราเนี่ยท่านรู้จักหรือไม่ของเบงก็ตอบทันทีเลยว่าเรารู้จักอยู่ อันไข่กลนของท่านเนี้ชื่อว่าอีคุยติ่งกลพยุห่าของเบ่งตอบได้สุมัยีก็จึงพูดแต่ว่าเมื่อท่านหลุดจากพยุห่าของเราแล้วท่านก็จงตั้งพยุห่าของท่านมาเราจะขอดูบ้างของเบ่งก็กลับก็ไปในกลุ่มทหารน้ำพวงแล้วก็เอาพัดโมขึ้นครั้งเดียวแหะทหารน้ำพวงก็ตั้งเป็นพายุห่าก็ไม่ทันได้คือตั้งตาม่ายกลนเด็สมเด็จ แล้วก็ร้องถามสุมาอีว่าท่านรู้จักหรือไม่ละ่ะอันคนรได้ยหาที่เราได้องทำเานี่สุมาอีก็ตอบว่าเรารู้จักอยู่ชื่อว่าพระยุหะปักกวัดอืนเราร อ, อยู่อยู่ผมเล็กก็พูว่าท่านรู้จักเมื่อก็ดีแล้วจะเข้าตีค่ายคนของเราไม่ได้หรือไม่ได้หรอสุมาอีก็ร้องบอกเราจะตปให้ได้ทีเดียวผมเล็กก็จินทาพีดว่าถ้าแบบนั้น ท่านจงเร่งปีเข้ามาเถอะซูมาอีกก็ขึ้นมาจับแจงทหารจัดโจมปีทีเดียวละก็เรียกไต่เหลียนเดียวฮองนักลินสามนายนี่เข้ามาสั่งว่าอันคนพยุหาของขงเบ่งที่ตั้งกันเนี่ยมีประตู8แห่งคือประตูเป็นประตูตาย ประตูออกประตูไขประตูศูนย์ประตูตกใจประตูลวงและประตูสุ้มเป็นแปดท่านจ็ตีเข้าไปทางประตูตะวันออกมาทางประตูทิศตะวันตกและวตีไปทางทิศเหนืออันทางข้างทิศใต้นั้นอย่าล่วงเข้าไปเลยเป็นอันขาดทีเดียถ้าเกิดทำใ้ตามเาตามคำที่เราสั่งนี้และ ข่ายปายุหากรของขงเบ่งก็จะแตกไปเองไต่เหลียงเตียวฮองหยหลินสามนายก็รับคำแล้วก็กลุ่มทหารจำนวนสามร้อยยกไปพุ่งทะลวงเข้าไปทางประตูที่ตะวันออกแต่นําบัดมนั่นเองทหารขงเบ่งติดตั้งเป็นข่ายคนณ์ยปยุหาดันะั้นก็กลับกุนปยุหาเพรามันผัดในทันใดเลยจากแปดประตูกลายเป็นสิบประตู สุมาอินบ่ไม่รู้จะให้เขาตีทางใดคือทหารสุมาอินตีเข้าไปแล้วนะ่ะไม่รู้จะไปทางไหนก็ยุ่นกระทบกันวุ่นวายอยู่ในใคล้ายก้นนั่นทหารขงเด่งก็จับตัวมัดไว้ได้ทัน้นคงเด่งก็จริงว่ากระนั้ถามทั้งสามประถานเลยทั้งปูนเนาะว่าเราจะฆ่าเสียก็ได้แต่หาต้องการไหมขงเบ้งจับแต่เราก็ให้เปลือนผ้ามวนมาเอาไว้หมด แค่ดมอดทาหน้าเจ้าฐานเรามีทุกคนและก็สั่งว่ากลับไปบอกสุมาอีนา่นายท่านเถ็เป็นอันว่าการตั้งข่ายกลนางคนนางก็ตั้งได้แต่ทีนี้การทำลายข่ายกลเนี่ย ซูมาอี้ส่งฐานก็ไปทําลายกับเสียทีของเบ้งส่งฐานยาบหยามกลับมาเนี่ยทหารเรานี้กลับมาถึงก็บอกแก ส, สุมาอี้ตามคําของเบ้งว่านะให้ไปรัร่มเวลให้ดีกว่านี้สุมาอี้เด็กผมก็โกรธนะักทีเดียวก็ถึงว่าแกทหารนี่บอกว่าคนเบ้งทํายาบหยามกัเราเลยว่าความอับอายยศนะแม้เราไม่เอาชายัยชนะให้ได้ในครั้งนี้แล้วที่ไหนเราจะมีหน้ากลับไปในงบเอียงได้ ทั้งบวงจงสาดช่วยกันเอาไขชนะให้จงได้แล้วสุมัยก็ให้ถือกระบี่สวหรับมือแล้วก็ยกฐานออกจากไข่หยือว่จาจะตะลุมบอนเลยทีเดียวสุมัยก็คุมทหารนมุนออกมาทีนี้ฝ่ายเกียรอุย ที่สั่งเป็นความรับเนี่ยนี่ทีกวนหินเนี่ยรับแผนการมาก็ถ า, านไปซุ่มอยู่ข้างหลังเหมือนจมาอีกกาเกณฑ์ฐานออกจากค่ายไปทั้งหมดคุมทหารหมุ น, นี่กันออกไปเช่นนั้นนะ่ะนี่แหละความรับละ่ะที่หกหลวงสั่งมาเนี่ยกวนหินซุ่มอยู่ข้างหลังเห็นไม่ทีนั่นก็ยกฐานโวร้องไต่เข้ามาโดยทีเดียว ซูมาอีก็ต้องแยกฐานออกไปรับทางด้านหลังสิฝ่ายกองทัพของเบงก็ตีกระทบข้างหน้าเข้ามาอีกคนนึงแหละเกียร์อีเกียร์อีก็ตีกระนาข้างขวาเป็นสามบ้านระดมรบเป็นอลลามานเลยทีเดียวทหารซูมาอีก็ตกอยู่ท่ามกลางต้องอาวุธรอกตัวล้มตายเป็นอันมากทีเดียวคือฝ่ายกองทัพที่ร้อมอยู่เนี่ย จะเห็นว่าพอถูกรอมแล้วฝ่ายถูกรอมจะย่ำแย่เสียเปลียนหนักหนาก็ในวันเนี้อาวุธรอกตัวล้มตายไดมาเก่าพันเลยห อ, อกเลยเหลาเยแหลงโดยประนาที่จะพุ่งซัดฟาดเข้ามารากองที่ถูกรอมนี่ก็ถูกอาวุธล้มไปสุมาอี่เห็นเหนือกำลังสู้มีได้ก็รบหากออกมาพาฐานข้ามฝากหนีไป ต, ตั้งค่ายอยู่ข้างทิศตะวันตก และตั้งแต่วันนั้นมาสุมาอี้ก็ตั้งมั่นอยู่กรนนั้นไม่ได้ออกรบพ่งอีกเลยอยาขอบท่านใช้ความในตอนนี้ว่าสุมาอี้ในตอนนี้เปรียบเหมือนเต่าที่หด พิษะอยู่แต่ในเกร็ดดองมันก็ยากเหมือนกันตีฮกหลงจะกระทำอย่างไรได้จะล่อจะหลอกเล่านีให้โผล่ออกมาพนเกิ็ดองได้อย่างไรอะ่ะเพราะฝ่ายของเบย์ครั้งได้ยชายใช่ไหมแกซูมาอี้แล้วเนี่ยก็ให้เหลิทหารกับมาตั้งอยู่หนเขากิสารก็พอดีริมเงียบชายให้ก่อัน คุณสะเบียงมาส่งเลยกำหนดไปสิบวันมาช้ากว่ากำหนดไปสิบวันเหตุด้วยกีอันเนี่ยเป็นมะเกรงฟูราสระวนไปกินเหล้าเมาอยู่นีไ่ได้เร่งรัดคุณสะเบียงมาให้ทันการทาันกำหมดตามเวลาลหรอกเพรามันเป็นการทักการฝึกสะเบียงอาหารสรงราชาไปถึงสิวันนี่ผมเองก็โกรธ รั่งให้ฐานเอาอตัวไปข่าเนี่ยเอาตัวกีอันไปข่าเนี่ยเตียวหนีก็จริงว่าซึ่งกีอันส่งทะเบียนนี้ทันกำหนดมหาอุปราชให้ฆ่าเรื่อนก็ควรอยู่แต่ว่าเราจะเปลนสืกจะต้องมีกันต่อไปเมื่อ ห, ห้าข้าวใจนอบทู่ใดซึ่งจะรับหน้าที่คุมทะเบียนหันมาส่งละอันนี้ก็ขะสนนะขอให้หมดโทษไว้สักครั้งหนึ่งก่อนเถอะ คนเบ่งเด็กฟังเตียงนี้มากล่าวขอโทษด้วยแกกีอันเนี่ยก็เห็นด้วยแต่ว่ายังโกรธมากอยู่ก็จินเนีฐานเอาตัวไปเคียนเสียองยกคือเคียนในยกนห่ดสิบเออยกละสี่สิบทีสองยกนึ่ดสิบทีนะ เ, เรียกกันว่าถ้าเป็นคนธรรมนาก็เตียงตายเตียงอยู่อะคือมันจะอยู่จะตายในเท่ากันนะ่ะ กอันถูกเขี่ยถูกโวยก็ถึงปดสิบปีเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวน่ะเป็นที่สุดเจ็บใจเจ็บแขนเนี่เป็นที่ยิ่งครั้งเวลาตันคืนก็พาเบาของตัวซึ้เป็นคนสนิทรอบไปหาสุมาอี้ถึงข่ายสุมาอี้นี่มีอย่างนี้ทหารก็เข้าไปบอกกับสุมาอี้สุมาอีอรู้ความแม่กองซาบีนเฉชวนหนีมาหานี่ ก็ให้ทหารเราไปรับตัวเข้ามาเมื่อกี้อินพีออ่อันเข้าไปหาสุมาอี้แล้วนีก็เล่าเรื่ความรู้ตัวสุมาอี้ฟังทุกประทานเน่ยผลเอาสเสบียมาส่งให้ท่านผูกเขีย น, ยนยถู้มวยเขาอย่างนี้สุมาอีก็จริงว่าอันขมได้มไมท่านเนี่ยมีอุบายมากมายนะที่ท่านเาาล่าม่เราฟังทั้งสิ้นนะพวงเนี่ยเรายังไม่อาจจะเชื่อท่านได้ก่อน ถ้าแล้วท่านทําตามให้เราเห็นสักสิ่งหนร ก, การหนึ่งเด็กเราจรึงจะเชื่อสุมาอี้ว่าอย่างนี้ที่อังก็จึงว่าท่านให้ข้าพเจ้าทำประการใดอย่างไรข้าพเจ้าก็จะอุตส่าห์ทําตามให้ท่านเห็นความถัดความจริงในข้าพเจ้าเองจงได้สุมาอีก็จว่าถ้ากระนั้นท่านจงรีบกลับไปเสฉวนเล่าความแก่คนทั้งปวให้ปรากฏไปว่า คงเบ้งมาหาอุปราชแห่งเมืองเสฉวนเนี่ยบัดนี้คิดโคตรทรยศเป็นขบถต่อพระเจ้าเราชนแล้วว่าคงเบ้งเนี่ยคิดขบถจะจับพระเจ้าเราเสีช น, น, นขจจ้เ า, เ า, เาเสีย เ, เพื่อจะที่ราชสมบัดจะตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นเองในเสฉวนให้ท่านปรับเอาความนี้ไปบอกกล่าวในเสฉวนและถ้ามีผู้เลี้ยงหนูเออก็เริรอเอ ก, เรกไป ความนี้รู้ไปถึงพระเจ้าเราเสียนเขาพระเจ้าเราเสียนก็จะมีไวใจขงเบ่งมีรายก็จะคงมีท้องตลามาเรียกหากองทัพขงเบ่งให้ถอยกลับไปถ้าเป็นเช่นนี้ท่านทำบ่ายดังนี้ชะนี้แล้วเนี่ยเราจะกราบคุพระเจ้าเจอยอยตามความชอบให้ท่านให้แต่งตั้งท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในเมืองลพบุรี กี่อันได้ฟังดังนั้นนี่ก็รับคำคานับลากลับไปเสด็จวนทีเดียวไปถึงเสดชวนก็พูดจ้ากับขันตีผู้คนทั้ง่วงตามที่สุมาอิ่สั่งให้พูดดีแหละก็ใจความคองเด่โดกทัพไปอย่างนัน้เป็นอย่างนั้นบัดนี้คิดกตระหนกยอดกบประการณาประการละความนี้ก็แพร่กระจายสะพัดไปสิ โดยเฉพาะจบวกคันทีเนี่ยก็มีความเนี่ยขึ้นทุนพระเจ้าเล่าเสีย่ยนพระเจ้าเล่าเสีย่ยนเป็นเภสัชขึ้นครองได้สมบัติได้โดยง่ายได้พบฟังความเขาดิสตกใจสําคัญวัดจริง่งเด็กความเป็นผู้อับแก่ปัญญาเป็นที่สุดก็ปรึกษากับใครอะ่ะก็ปรึกษากับคันทีทั้งเตือนเหลา่าเนี้วเมื่อมีเราจะคิดประกรันนายเงินราจริงจะดี มหาอุปราชาจะคิดประโยชน์ขบวนเส้นดังนี้ขัดดนธีก็ทูลทียเดียวว่าบาัตนี้พระองค์ได้มอบอาญาสิแก่คมเด้งทั้งสิ้นทั้งตวงหมดแล้วผู้คนนั้นประด็นก็อยู่ในอำนาจคงเด้สิคงเด้งจะว่าดสิ่นัดนประการได้อย่างไรคนทั่วไปก็จงกระทำตามดังนั้นขอให้พระองค์จ้ามีท้งปลาเรียกหาตัวคงได้ปกับมา ก, ก่ แล้วก็เรียกเอาปลาอาญาตรดที่มอบใหน้าานั้นขึ้นมาเจ้าก็จะเห็นว่าคงเม่งจะไม่อาจทําอันตรายใดๆแก่พระองค์ได้เพราะคนที่ปลวงก็จะไม่ได้ยาำเกรเียนงเม่งก็จะจนใจอยู่ที่จะทําอันใดแก่พระองค์ไม่ได้พระเจ้าเราเสียมีความขันทีแนะนําเข้าชะนีนะ้เนี่ยเห็นด้วยก็จึให้มีท้องกลาไปเรียกหากองทัพ จะให้กลับมาเป็นอว่ารพระเจ้าราสีนจะกระทำตามมันคือจะเรียกกองทัพกลับเนี่ยขนาดนั้น เกียวอ้วนเป็นคุณนายผู้ใหญ่ผู้หนึ่งก็เข้ามาทูลว่ามหาอุปราชยกทัพไปครั้งนี้เห็นทำการได้ท่วงทียิ่งนะใกล้จะได้เมืองล็กเอียงเป็นมั่นคงแล้วซึ่งเป็นความจริงนะสุมาอี้ก็แย่แล้วโจจิงก็ตายแล้วสุมาอี้มันไม่กล้าที่จะโพ่ออกมาจะกท่ายแล้วเกลียวอ้วนบอกว่า มหาอุปราชจะทำการครังนี้ได้ทู่งทียื่งนักใกล้จะเริมมือลบเอียนอยู่แล้เป็นมั่งคุณเหตุจะไหนพระองค์ใช้เรียกหาทัพกลับมาเสรอกพระเจ้าเราเสียงก็จริงคือไม่ตล้าที่จะพูดไปตามความจริงทั้งหมดกลับพูดว่าเรามีธุระเป็นความลับจะเรียกหามาหาอุปราชกลับมาเพื่อปรึกษาราจชการด้วยพระเจ้าเราเสียงกลับดังนี้ แล้วก็เรื่องไ้คนถอือรับสั่งไปเลยทีเดียวคนถือรับสั่งจากเสด็จฉวนไปจนถึงเขากีสารละก็มนสือรับสั่งในหมอกแก่คนงเม่งของเม่ทันแจ้งความในสื่อรับสั่งทั้งสิ้นดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วก็พูดว่าเจ้าของเรานี่มึงแก่ความนะ มาเชื่อถ้ อ, นน อ, อ, อยคำคุนนางสพยุยงชนิ้ที่ไหนเราจะทําการต่อไปได้ครั้นเราจะนม่กลับไปในบัดนี้ก็จะเป็นข้อขัดรับสั่งถ้าเราจะกลับในบัดนี้ก็เสียดายยิ่งนะสื่อปลายเบื่อหน้าจะกลับมาทําการอีกสักร้อยครั้งก็ไม่อาจจะล่วงเข้ามาถึงหน้าที่นี้ได้อย่างนี้ตอนนี้เป็นการตัดสินใจ ยังยากยิ่งทีเดียวเจินงอ่นก็ถามว่ารบมหาอุปราชจะร่าทับไปครั้งนี้ถ้าสุมาอี้รู้แล้วยกฐานตา ม, มารบผู้ยี้จะคิดประการใดอย่างไรคองเ่นก็จินว่าพญาวิทปกเลยอันเราจะยกกลับไปคร้งนี้จะทำาคนอุบายอันนี้สุมาอี้ตามเราได้เราจะยกฐานเดินไปเป็นห้า ก, กอง ถ้าไปพักที่แห่งใดเราใชทําเตาไฟเพิ่มขึ้นไปจนมากทุกวันทุกวันสุมาอี้เห็นฉะนั้นก็จะสงสัยอยู่ผมเพ่กล่าวดังนี้มนาะถ้าจะว่าเป็นการพูดจาผิดๆจาตํำรับพิชัยสงครามเนี่ยเอยี่ยมีผู้รู้คนก็ติ่อ้างเพียเดียวว่าคราดซุมนปืนทาสึกกับมังกวนั้นท่านก็ซ่อนเตาไฟเสีย จึงเอาชายชมะได้เหตุไหนครั้งนี้มหาอุปราชจะมาทําเตาไฟโพ้นดังนี้อีกเล่าขอเบงก็จึงบอกว่าครั้งนั้นผิด ก, กันกับครั้งนี้ด้วยครั้งนั้นซุเป็นน่ะต้องการจะลวงให้ข้าสุดเห็นว่าคนน้อยแต่แท้จริงแล้วซุเป็นมีทหารมากต้องการจะลวงให้เขาโหม่ น, น้อย กินซ่อนเตาไฟเสแต่แ บ, บัดนี้เราจะทำให้เห็นว่าทหารเราน่ะมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันเมสุมาอียังมีปัญญาหลักแหลนมากแต่เห็นเราทำกลวิธีดังนี้ก็จะสำคัญใจว่าทหารของเรายกหมุนเรื่องขึ้นมามากและที่เราถอยด้วยเราแกร้งถอยเป็นอุบาย ทำกลไว้จะลวงให้ตามมาสูมาอีจะคลั่งใจอยู่จากนี้กล้าติดตามเราไปเราก็จะยกพระปล่อยกลับเสฉวนได้โดยสะดวกผมเบ่งก็ชี้แจงให้ฟังมันต่างกันครั้นทุสาหาีสกันเสร็จแล้วคนเม่งก็สั่งให้เลิอกกองทัพล่ า, ลากลับไป สูมาอี้ตั้งแต่ให้ อ, อันเจ้าคนพลโยต่อเสฉวนกลับไปดำเนินแผนการก็ตั้งใจคอยอยู่ว่าการมันจะสําเร็จหรือไม่จะเป็นผลประการใดอย่างไรก็พอมีมาใช้มาบอกว่ากองทัพมือเสฉวนเลิกไปแล้วสุมาอี้ก็ยังไม่เชื่อค่อยคนสะกดรอไปดูท่วงทีขงเขาไม่ที่ทำยังไรคนก็ติดตามรุ่งขึ้น วั น, นทหารก็กลับเอาเนื้อความมาแจ้งตามระยะทางเลยว่ากองทัพมีเสฉวนยกไปถึงตำบลนั่นนั่นนั่น น, นั่นยันน่างนั้ น, น, นเห็นตาโพหุ้มข้าวโพลจำนวนมากขึ้นทุกวันอีกวันก็มารายงานอีกอีกวันก็มารายงานอีกเตาไฟเตาหุ้มขาวโพลจำนวนขึ้นเรื่อยเรื่อยสุมาอี ก, ก็ว่าแก่นานทาพในกองทัพบวกม่าขงเบ่งมีทหารหนุเนื่อง ม, มามากทุกวันนี้ได้ขาด แต่ผมเม่งเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่แต่ในค่ายนี่ออกไปรบด้วยจะทำการก็ไม่สะดวกล่าทัพไปบักผมเม่งจะต้องวางฐานซุ้มไว้เป็นมั่นคงถ้าเราเบาความนีไม่ได้หนักนวลคิดไดดีเช่ก่อนชะนี้เราติดตามไปก็จะต้องเด็กกลอูไมยของผมเม่ง ไม่กล้าติดตามโจนปีของเบ่งจนสองสามวันต่อมาเนี่ยชาวบ้านก็มาบอกว่าที่ของเบ้งล่าทับไปเนี่ยของเบ่งถอยไปเนี่ยถอยจริงจริงแต่ว่าเตาหุงข้าวเตาไฟเตาเพลงนี่นะแปลงทำไว้อย่างนั้นเองแหละให้เห็นว่ามีฐานมาเพิ่มโติมมากแต่ที่แท้ของเบ่งถอยทับกลบับหันงลัไปแล้ว สุมาอี้ทอดใจใหญ่เอามีตบอกผาลเลยแล้วก็บรักผมเบ้งทำกลลวงเราครั้งนี้รู้นิทันเลยตัวเรามีปัญญาน้อยถึงจะทำศึกไปเรื่องหน้านั้นยากที่จะประมาณกลศึกผมเบ้งได้สุมาอี้นี่เขาถ้าจวัาถ่มก็ถ่อมตนอยู่เหมือนกันยอมรับบอกผมเบ้งมีปัญญากว่า แต่สุมาอีก็สู้คงเด่อย่างใจขาดเร็นนันว่ายอมรับบมมีปัญญา น, น้อยอีกแล้วแล้วเมื่อคงเด่พอได้แล้ ว, ลวสุมาอีก็ยกทหารกลับเมืองลบเอียง้วยกองทัพข้าตนเองเนี่ยก็ย่ําแย่เพราะเสียโจจิ๋มขุนพลใหญ่ร่วมแสไปแล้วทีนี้ขณะเมื่อคงเด่นยกกลับมาแล้วเนี่ก็ามาถึงเมืองหันโถงให้พักน์ตะแก่ทะหารอยู่ แล้วผมเองก็เข้าเมืองเสฉวนเพราะจากรับสั่งมีรับสั่งให้ถ่ายให้หาเนี่ยผมเองก็พักกองทัพอยู่ที่ฮันตงแหละกองทัพไม่ได้กลับเสฉวนเป็นแต่ว่าตัวเองเท่านั้นเข้าเมืองเสฉวนเข้าไปก็ไปกราบทูลถามพระเจ้าเราเสียนว่าครั้งนี้ข้าพเจ้ายกทัพไปถึงเขากิสานหวังจะตีเอามีน เ, เตียงอันอันสําคัญของโลกเอียงนี่จงได้ เพราะองค์ให่มีหนังสือไปหาตัวข้าพเจ้าออมานด้วยประสงค์สิ่งใดแ้วขุเบ่นก็ถามในประสงค์อะไรเรียกลับมาทำไมพระเจ้ า, า, ารเร า, าเซียนนะก็ขงนเม่นกลับมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้มีท่วงท่าที่ว่าจะพลยดจุดกบฏทิ้ว่าจะสมบัติประการใดอย่างไรนี่ก็จึงกลัาวว่านี่ดูมีการสิ่งใด เป็นแต่ว่าเราเระริกถึงมหาอุปราชจึงนใเรียกหากลับมานี่คือคำตอบที่ว่าเป็นเหตุผลเพราะคิดถึงคนเบนก็ทูลมาเหตุทางนี้นั้นนะข้าเจ้าแก้งอยู่คนเป็นฤทธไอ้เหล่าสอพอทูลยุยงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเอาใจออกหาพระองค์พระองค์จึงให้หากลับมา ผมเบ่งก็พูดอย่างนี้พระเจ้าเราเสี่ยงแกงดังนั้นก็ไม่ได้ตราประการใดก็ตราได้ออกผมเบ่งก็ทูลต่อไปว่าตัวข้าบ่าวเชลราถึงเพียงนี้แล้วแล้วก็ได้รับรับสั่งพระเจ้าเราปีพระราชบิดาของวรงไว้จึงตั้งใจที่จะทนุบำรุงแผ่นดินของพระองค์บัดนี้วัปตปูยุยงอยู่ เหมือนวันโรคอันมีพิษกำรวด อ, อยู่ในอกข้าวเจ้าซึ่งขราวใบจ้จะคิดอ่านกำจัดศัตรูภายนอกดังนั้นเห็นขัดสมผมได้กล่าวอย่างนี้คือสุดภายใน ม, มันร้อนรนอยู่อย่างนี้แล้วสุดภายมอกจะทำอย่างไรพระเจ้าเราเสิก็ตรัสว่าอันเหตุทั้งนี้เพราะเราเบาความเชื่อฟังคำคนชั่วหากหมหาอุป ร, ราชมาว่ากล่าวเราจรึงรู้เหตุ มหาอุปราชท่านจะถือโทษเรานั้นก็ไม่ควรด้วยทุกวันเนี่ยตัวเรานะี่ยเหมือนหนึ่งคนจับขุดมืดท่านช่วยนําทางให้ยังค่อยเดินตามไปได้บ้างครั้เนี้ยเราคิดผิดมหาอุปราชท่านจริงต้องยกทัพกลับมาพระเจ้าร่อเพียงก็ยอมรับผิดเท่านี้แต่ผมเอนก็ไม่อาจจะทํำยังไงได้ ก็สืบส า, าวเราเนื่งจากคุณนางสังหวั่นตั้งตัวก็ได้เื้อความว่ากีอันกีอั น, อ, นอาจจะแม่กองสะเบียงขี้เมาทรยศนั่นเองแหละเด็กมาเพชรทุนยุโยงว่าตนเนี่ยจะเป็นข บ, บดผมเด้ก็ใเรียกหาตัวเจ้าตัวกีอันเข้ามาทหารออกไปตามก็ไม่พบเป็นไปรู้ว่าบาัดนี้กีอันหนีไปเข้าเดสุมาอี้แล้ว เบ่งก็ว่ากับเกียวอ้วนและดีฮุยที่เป็นคุณนายหุยใหญ่เนี่ยว่าซึ่งกีอันเพชรทุนยุยงนั้นน่ะเหตุใดท่านทั้งสองก็เป็นผู้ใหญ่ในที่นี้ทิ่ไม่ได้พิจทตรุนคัดค้านจนมีหนังสืรับสั่งไปหาเรามาเนี่ยการศึกการสงค ร, รามก็ได้ทีอยู่ชนิดแต่มีรับสั่งเรียกหาตัวเรากลับมาให้ชนิด เกี่ยวอ้วนดิวยก็สารภาพว่าซึ่งขบจไม่ได้พิทูนทักทานนั้นโทษขบจผิดอยู่ก็ยอมรับผิดอีกแหละคงเบ้งก็ไม่รู้จะทำประการใดแต่ก็เด็กขาดโทษไวแล้วก็ออกคำสั่งทีเดียวสังให้ลิอเงียนเป็นนายกองสำหรับรำเรียงระเบียงให้แก่กองทัพเรา อ, อย่าให้ขาดได้ แล้วขงเด้งก็ถวายบางควว่าออกจากเศษชวนกลับไปยังเมงืองหันตงกลายเป็นมีอทหารมีสสำคัญในหน้าดานแล้วก็จัดแจงถ้าแก่ทหารจะยกไปตีเมืองเตียงอ๋มไม่จบได้เอีย่ยงหนีเอี่ยงหนีมหมายฐานสำคัญคนหนึ่งก็จึงพูดว่าทหารในกองทัพเรานี้ก็มีถึงยี่สิบหมื่ยกไปทำศึกครั้งก่อนนี้ก็ยังอิจโรยอยู่ เพียงแค่ยกไปในครั้งนี้ก็ขอให้เอาใจทหารไว้บ้างจงแบ่งเป็นสองผลัะให้ยกไปแต่ทีละส0หมื่นต่อถึงกันหมดร้อยวันก็ให้ทหารสิบหมื่นไปเปลี่ยนคแบ่งเป็นสองกองกองละสิหมื่นเ อ, อกไปทำการก่อนกองนึง่งพอครบร้อยวันเอากองนี้ไปเปลี่ยนเพื่อทหารจะได้มีกำลังทำการสึกสิกป ของเบ่งได้ฟังก็จรงว่าที่ท่านว่านี้ต้องด้วยความคิดของเราแล้วซึ่งจะทําการสงครามเนี่ยแถ้ว่าจะสําเร็จในวันเดียวสองวันหานี้ได้จําจะต้องคิดกันเป็นแรนปียิงจะดปีได้เมืองเตรียมอังคนได้กล่าวด้วยเนื้อเขาจะกำหนดทหารทั้งตัวตามคําเอี่ยงหนีแหละคือแบ่งทหารออกเป็นสองผลัดผลัดละสิบหมืน่นผลถึงกําหนดแล้ว ผูซึ่งจะไปผลัดนั้นถับไปไม่ทันเราจะเอาโทษถึงตายในขณะนั้นพระเจ้าเราเสียงโเวราได้ก้าปีเป็นเทศาการเดือนสี่ในตอนนี้ก็ตกอยู่ในราวปีพุทธศักราชเจ4ดร้อยเจดสิบสี่นึง คุมหารสิบมืนทหารพับแรกพับที่หนึ่งเนี่ยยกกองพออกจากเมืองฮันถงฝ่ายพระเจ้าโจยย่อยสวรรคได้ห้าปีนะครับ อ, อพระเจ้าเราเสียนมีสวรรคมาได้ เก้าปีพระเจ้าจยยอยพอ ม, มาถึงปีสองปีเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยพระเจ้าจยยอยสืบราบมาได้ห้าปีเอาในตอนนี้มาชัยเด็กเข่ามากราบพูรีสามบวชนี้คงเบ่งยกกองทัพมาอีกแล้วมาถึงเขากีสารอีกแล้วพระเจ้า จ, จยอยได้แจงดังนั้นก็ปรึกษากับสุมาเอียว่าคงเบ่งยกมาครั้งนี้เราจะคิดประการใดดีด สุมาเอีก็ทูลว่าโจจินก็ถึงแต่ความตายแล้วสิ่งของเบ่งยกมาครั้งนี้ไว้เป็นพนัก ง, งานข้าราชการจะอาสาคิดอ่านเอาชัยชนะให้ได้สุนทรกล่าวอย่างนี้ดูเป็นความเป็นคำที่จะไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างนั้นเหรอขึ้นว่าโจจินนี่แต่ความตายแล้ว ผมไม่ยมาครั้งนว่าจะเป็นไงข้าราชการจะคิดอนานเอาใจชนะให้ได้ข้จะฟังเลยลึกซึ้งโจจีนท่านขุนพลร่วมแซ่แม่ทัพใหญ่ก็กระทําการทุกอย่างที่จะให้ประสบกับความพ่ายแพ้อยู่มาตลอดสุมาอี้มีสติปัญญาจะ ก, กระทําการตามสื่ปัญญาตนก็ไม่ได้มันติดมันขัดมันขวางอยู่ที่ท่านผู้ใหญ่เนี่ยบัดนี้ท่านผู้ใหญ่ก็ไม่อยู่แล้วล่ะบนก็ จะเอาไทธรรมะให้ได้พระเจ้าโจยยอย เ, เด็กแจงนั้นก็มีความยินดีก็สั่งให้ฟุมาอี้เร่งไปทาําการฟุมาอี้ก็ออกมาให้จัดแจงถอดแผลสารทั้งตัวแล้วก็ขับไปกราบถวายบังคมายกทัพออกจากเมืองโลกเอียนไปในขณะนั้นพระเจ้าโจยยอยได้ท่งรถออกไปส่งฟุมาอี้ถึงประตูเมืองนี่เป็นการให้เกียรติกับ ท, ท่าทัพผู้นี้ยังมากตีเดียวละขุมมาอี้นั้นพลังเคลื่อนทัพออกจากโลกเอียงมาถึงเมืองเตียงอันทางฝ่ายเสฉวนก็มีเมืองฮันตงนะครับเป็นยัืองทหารมีหน้าด่านสําคัญทางฝ่ายโลกเอียงก็มีเมืองเตียงอันเนี่ยเอาุมมาอี้มาถึงเตียงอันคอยจัดแจงถ้าแก่ทหารกองทัพใหญ่จะยกไปเตียวขับขุมเสือทหารเจ้าเก่ า, กาที่คนเบ่งคิดประหาร แต่ไม่สมเร็จเดียวรับก็เด็ก ว, ว่ากับสุมาอี้คือว่าการศึกครั้งนี้เป็นแต่ข้าพเจ้าจะขออาสาไปเองก็เจ้าชายชนะขงเบ้งได้เดียวรับว่าอย่างนี้สุมาอี้ก็จึงตอบว่าขงเบ้งยกมาเนี่ยเป็นทัพใหญ่หลวงนะซึ่งท่านจะไปแต่ผู้เดียวนั้นเห็นจะพูดความผิดขงเบ้งไม่ได้ ถ้าท่านจะรับเป็นกองหน้าแล้วเราจะแต่งกองหลังให้ไปตั้งรักษาอยู่เมืองหลงเสและท่านทั้งปวงจะยกเป็นกองกองไปคิดอ่านรถพุ่งกับคนเดินในเขากี 3. สาจเช่นนี้ก็จะได้เดี๋ยวครับโดยฝ่านี้ก็ดีใจก็จริงว่าซึ่งท่านจะให้ข้าพเจ้าเป็นกองหน้านั้นก้าพเจ้จะขออาส า, าทาการจนกว่าจะสิ้นชีวิตรับปากรับคำมั่นคนแข็งแรงทีเดู สุมาอี้คยโกชุยขุมทหารไปอยู่รงงงักษาเมืองหลงเสแต่ก่อนโกชุยนี่เขาเป็นทหารเอกขารือใจของโจจินกวัเนเพลงสุมาอีอิจาริสยแะแต่บัดนี้สุมาอีเป็นแม่คับโกชุยเป็นหารใต้บังคับบัญชาุมาอีแล้วล่ะสุมาอี้ใช้โกชุยเนี่ยไปอยู่รักษาเมืองหลงเสให้เตียวครับถืออาญาสิเป็นกองหน้าบังคับนายทาทุกกอง แล้วให้พากันยกไปก่อน